ท่านสาธุ 9 กุมภาพันธ์ 2534 ถ้าจะเห็นว่าการบันทึกเสียงด้วย 20 ก็ขอย้อนถอยหลังก็ไปมีพระปลัด นองในตอนนั้นเจ้าราชราชเวทีแล้วจําไม่ได้นะเป็น แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอมีคนทราบว่ามาอยู่ เขาขุดทรัพย์กันคือทรัพย์ของวัดศรีสระเมืองที่อำเภอสันดุรดีได้บ้างองค์การสนับสนุนในเวลานั้นเจ้าคุณเทนาธโนณีท่านเป็นท่านได้ขุดทรัพย์ที่นั่นได้พระมามากไม่ที่สุดก็มีการฟ้องร้องซึ่งๆกันและ ตามถึงความจริงที่มีความลําบากมากผู้ว่าท่านผู้ปกครองสงฆ์ในเม็ด 4 บรรดาวัดที่เป็นลูกน้องก็มีความลําบาก deze is een andere mening, een is een konkhau. Een konkhau, een mening, een mening, een mening, een mening, die mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, die mening, een mening, een mening, die mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, die mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een mening, een schle testimonies that some workers, and some workers to control the picture. «A place where there is some有為什麼, just some littleg motherfucking fish, there are some kids who look for young men, there are some weaknesses that some handsome men who look more and grow to one around me Some really amazing evidence of children, between American students and pontiac companies in their mouths, so they likely can look forickety golden unders. Their가락 6 years later in the message แต่ว่าเรื่องจริงในไทยของมันยังอ่านทุกคนเรื่องเล็กๆนี่มีคนอ่านมากงั้นดีกว่านั่งดูแล้วก็ทัน มันก็เวลาไม่รู้ว่าคำ 3:00 น. จึงคิดในสวยนะ สมศักดิ์ศรีเป็นชายชาติตรีผิวขาวข้าวเหลืองนุ่งผ้าพื้นใส่เสื้อก็บอกไม่ถูก ท่านชื่ออะไรชื่ออะไรท่านคือใครท่านบอกผมคือเจ้ายี่พยาคนนี้เป็นพยาที่ เขาถามว่าเจ้ายี่พยานี่มันเกี่ยวเรื่องอะไรกับอำเภอสันบุรีท่านก็เลยบอกว่าท่านบัญญานประวัติศาสตร์ใช่เค้ารับในสมัยเมื่อผมเป็นลูกเจ้าของลูกพระเจ้าดินเจ้า ตั้งเมืองด่านเสนาถท่านก็ถามท่าน ไอ้ประการหนึ่งมาตอนกลางวันให้นั่งคุยกับชาวบ้านอยู่ชาวบ้านๆไม่เป็นไรจะรับฟังแล้วก็รับทราบเอาไปรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบเพื่อความเป็นธรรมเท่านี้ชาวบ้านเค้าก็ดีใจ ท่านก็บอกว่าความจริงเนี่ยมันค่ําแล้วนะครับแต่ว่าโดยอํานาจของผมทําให้ท่านเห็นเมื่อกลางวันแล้วพอท่านพูดก็งงเหมือนกันหยิบนาฬิกา ขยอตะเกียรตเทพแต่ว่าเวลานั้นแสงสว่างมากก็จะทําอะไรบอกว่าผมต้องการให้ท่าน ก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้เพิ่งจะมาวันนี้ตะคืนทําก็หักหน้าเจ้าอาวาสแล้วก็บรรดาพระต่างๆ ถามว่าอีเฟี้ยมของท่านน่ะอยู่ที่ไหนท่านก็ข้างห้องห้องใกล้ๆไม่ห้องแถวเพิ่นตลาดเลยถามเด็กเข้าไปข้างหลังบ้านก็ถามเด็กอายุ 93 ปีสมัยเจ้าเพิ่งออกมาถามท่านมีพระอะไรเจ้าคะก็ พอยมเผียมเดินไปเห็นเข้ากราบทันทีทะนุจักกันท่านบอกว่าที่นี่มีอีเผียมคนเดียวที่รู้จักผมมันจะมีงานมีการต่างๆก็ครบคนต้องอาศัยอีเผียมมันแล้วบอกผมผมก็ต้องช่วยงานนะครับเค้าจะกินเหล้าเมายา ความเป็นใช้ปูนประมาณกะลาเดียวก็พอปูนซีเมนต์ 93 ปีแล้วจะเอาอะไร 25 หรือ 25 ขึ้นพอ เขาบอกอดีตไปเล่นข้างล่างมาหัวจะเอาตามนี้มาเองถูกหัวได้มาต่อคงละให้รับกลับเข้าบ้านท่านก็พาไปที่เจดีย์เก่าๆยอดห่างมันแล้วเป็นเป็นเป็นซุ้มดีๆเป็นเจดีย์แบบเค้าเรียกแบบอะไรแบบคล้ายๆ ว่าที่จะกุศลทรัพย์มีความจริง <c oughs> แล้วก็มีโกดทองคํามีพระมีทับทรวงวางอยู่ 2 อัน 2 พวงแล้วก็มีมิตรหมอมิตรหมอนี่ ถามว่าให้อะไรว่าให้อะไรถ้าว่าท่านก็ท่านถามต้องการอะไรเพราะว่าต้องการพันภาษีราคาแพงหน่อยได้ก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาไปแล้วไป ถ้าขึ้นธรรมอาตมาเวลานี้เพิ่งมาวันแรกยังไม่รู้จักใครเหตุ ในเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้ ตะพอดันท่านบอกว่าในฐานะผมเป็นนักรบนักรบสมัยก่อนเค้ามีความเคารพของศักดิ์สิทธิ์ ในเมื่อของผมกับพี่ชายคือเจ้าอ้ายพญาตกลงเรื่อง 2 ข้างฟันพร้อมกันคอขาดพร้อม แต่ในการก่อนๆนั้นไม่ไม่ครบนี่ครับเราว่า เรื่องนี้ผีพูดนะนี้ผีพูดน่ะแต่เสียงนี่ไม่ใช่ ก็ท่านบอกว่าเวลานี้เห็นตำรวจทั้ง 5 คนตำรวจ 5 คนเค้า แต่พอตำรวจมาพบท่านก็บอกว่าผู้กองโอ้ท่านผู้กองโอ้ขอรับแต่ว่าจะมีความท่านอันตรายท่านขอให้ท่านกลับคืนเมืองมุตติเขาเดินดำเนินตาม ทำวันนี้กี่วันจะทําต่อไปก็ยังไม่ ก็แปลว่ากล่าวตักเตือนใครก็ไม่ได้ดีไม่ดีอาจจะดลคร่อมแข็งเข้าแล้วก็ยังไม่ทราบแน่นอนว่า เทศัญญ์คุณตัวบนเวทีเป็นเป็นคนที่อำเภอสันบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัด de koning is daar in me. Ik heb hier een zak van benzine. Ik heb hier een paar benzine. Ik heb hier een paar benzine. Ik heb hier Ik heb hier een een paar benzine. Ik Ik een een paar benzine. Ik Ik een ถ้าดูความไม่สุขเป็นทุกข์ของจิตน้อยสีแดงน้อยๆจิตมีสุขน้อยสีแดงมากๆไม่มีจิตไม่สุขมากถ้าสีใสจิตมีความมีอารมณ์ <c oughs> ภาพความเป็นมาของเขาจริงน่ะเป็นยังไงเค้ามีความสุขเค้ามีความทุกข์ที่มีกี่คนมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คน เรื่องส่วนตัวมีเล็กน้อยแล้วก็เป็นเรื่องของวัดมันเป็นวัดที่เขาเคารพบูชาและถูกหลงแบบนี้ก็รวมความว่าเอาใช้วิชาหมอดูเนี่ยสังหารความจริงได้อย่างดีที่สุด ถ้าเขาไม่บอกตามความเป็น 3 mm. คน 2 คนทีนี้แล้วก็ค้านบอกถ้ามี 2 คนก็ดูไม่ได้ 3 คนนี่เค้าก็ แล้วก็มาขอดูไหลมือ <c oughs> <c oughs> มันแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องเข้าใจ 2 ฝ่ายแต่ 4 ประมาณเดือนมีนาคมกับเมษายนกับ ก็ไปที่นั่นเขาได้นิมนต์ไปสวดนาคบ้างนิมนต์ไปเทศน์บ้าง ปรบอนาศวที่ยังวحد้ีอ mine of protection cm 20mm. ว่าท่านเคยสั่งว่า Jonathanว่าฐานมาที่นี่ spa它的ภัพest Blind Bored Aordid, har gold Bored Aordid Akeyi Bored A explicitly marinate subsequent Platform in 37 years and in 2018. า Kumite some very new 팔 board wondered the news ins Tuition Wait Nushkawar KoolHubobagd's ีช明 seen the course of His is the same or the exponentially the last ไม่มีผีมันจะหลอกเพราะคำว่าผีนี่เราโอดดีการโอดเก่งกับผี เป็นนั้นว่าอย่างอันดับแรกก็ขอส่งให้ผี <c oughs> <c oughs> อันนี้ปี พ.ศ. 2503 ยังมีป่ามากอยู่รถ นอนอยู่ที่กลางหอสวดมนต์ทางด้านอุทิจะว่าเค้าคุยกันอาตมาอยู่กลาง <c oughs> <c oughs> ได้แต่พญาพูดเอาใจให้มีความเข้าใจ <c oughs> เป็นตั้งแต่เท้าขึ้นไปถึงเอวนุ่งผ้าจีบหน้า สวดทรงก็ดีถึงไม่จะท่มหน่อยก็สวดจริงๆนึกแต่ใจว่าหลับตาหนีเถอะหลับตาขอหินลืมตาขึ้นมาลืม เพราะกันรอแบบนี้ในลักษณะสวยๆแบบนี้ไม่มีคายก แล้วก็เธอเอ๊ะแล้วจะจําได้ยังไงเค้า รู้คนอื่นทําไมจึงรู้ได้รู้ฉันทําไมจึงรู้ไม่ คนนึกว่าผีผู้หญิง ผู้หญิงคนนี้เป็นปัญญาผมเองในสมัยที่ผมเป็นมนุษย์แล้วก็เธอนําคุณมาเลี้ยงไว้ในวังรักเหมือนลูกของผมแน่ความจริงผมไม่มีลูกคุณก็เป็นลูกของแม่ทัพในสมัยนั้นแล้วเขาก็นํามาเลี้ยงไว้ในวังรักเหมือนลูกทุก วิชาความรู้ต่างๆต้องการอะไรก็ให้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คลอดมาจากครรก็ตามก็รับ พระชายาของพระเจ้าสัมพยาก็มีความรักเอา